เยอะแยะเบอร์เสร็จเนี่ยบางคนก็พิกลพิการมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันมันเป็นภัยใหญ่ทั้งหมดเลยนะที่มันจะขวางหน้าเราทั้งหมดอ่นี้แล้วต่อมาก็มาเจออะไรตีนี้ปรชาติภัยชลาภัยก็คือความแก่ง่อมของอินทรีย์ความแก่ง่อมของตาหูจมูกลิ้นกายใจความแก่ของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจสภาพรูปอาคาร พวผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยทั้งหลายเหล่านี้ยก็เริ่มจกวิปริตเริ่มจะวิปริตเริ่มจะทําหน้าที่ผิดพลาดแล้วแล้วตอนนี้มันเป็นไหมมันทําหน้าที่ผิดพลาดแล้วตาก็ทําหน้าที่ผิดพลาดผมขนเล็บฟันเนี่ยอาการต่างๆอันนี้คือชราเนี่ยมีทุกจุดของร่างกายเนี่ยที่มันเริ่มผิดเพี้ยนแล้วตาก็เริ่มผิดเพี้ยนหูก็เริ่มผิดเพี้ยนจมูกลิ้นกายเนี่ยก็เริ่มผิดเพี้ยนสมองก็เริ่ม ผิดเพี้ยนนะความจําก็เริ่มเลอะเลือนความคิดอ่านทั้งหลายก็เริ่มจําได้บางไม่ได้บางอันเนี้เห็นจริงๆริงไหมเนี่ยเห็นด้วยญาณปัญญาไหมตลอดถึงพญาธิภัยเนี่ยนะถามบอกว่าลองดูพญาธิภัยนะทุกจุดของร่างกายที่ไม่มีพญาที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีเลยเขาให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะถึงจะเกิดความสะดุ้งสะเทือนนะถึงจะมาเห็นเรื่องขณะเล็กเขาเห็นขนาดใหญ่อย่างนี้ก่อนนะในขนาดเล็กมันถึงมาเห็น แต่ไม่ใช่ไปเห็นขนาดเล็กดับกันเป็นแถวเป็นแนวหมวอะนี้ไม่ใช่นะนี่เห็นขนาดใหญ่จนเกิดความสะดุ้งสะเทือนแล้วเกิดความไม่เอาอีกแล้วเห็นไหมเพราะเพราะศรัทธาเชื่อศรัทธาในพระพราตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยพุทธเจ้าก็เลยสอนเรื่องชาติทิฐุขทําไมพุทธเจ้าจึงสอนชาติทิฐุขว่าทุกเนี่ยเป็นความจริงที่เห็นได้ง่ายและสัตว์โลกทั้งหลายประสบพบเจอกันอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วให้สังเกตดูนะว่าทุกหยุดของร่างกายเนี่ยมีโรคหมดเลย ผมก็มีโรคขนก็มีโรคเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจเนี่ยมีโรคเจาะทุกจุดของร่างกายแล้วมันจะห้ามหันกระแสชีวิตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และมรณะภัยคืออะไรผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส์ใหญ่ไส์น้อยหาไปมันหยุดทําหน้าที่แล้วตอนนี้มันใกล้จะบางตัวหยุดไปแล้วนะเนี่ยแล้วมันกําลังจะหยุดเนี่ย ลองคิดดูที่เราเจอภัยมหันตภัยมาขนาดเนี้ยแต่ชีวิตของเรายังมัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนเนี้ยยังตั้งหลักชีวิตไม่ถูกเลยเนี่ยแต่มหันตภัยนี่ล้อมหน้าล้อมหลังอย่างเงี้ยแล้วภัยที่น่ากลัวที่สุดก็คือให้สังเกต ด, ดูแนวชีวิตของเราเกิดมาก็มีการแก่งแย่งจริงๆดีสารพัดต่อสู้กันเนี่ยในขณะเดียวกันเราเจอทั้งภัยภายในและภัยภายนอกและตามมาด้วยอะไรด้วยทุจริตภัย ตอนนี้กายจะทุจริตเราก็ยังออกจากมันไม่ได้ยังมีเผลอไปทําทุจริตทางกายเนี่ยยังไม่ ย, ยอนสำรวยยังเผลอไปตอบยุงเนี่ยเผลอไปเกาโน่นยังเผลอไปฆ่าสัตว์ทางวาจากขายังเผลอไปพูดเทศสอเสียดทาอย่าพูดตลกขานองให้คนหัวเราะเล่นเนี่ยเอาสิและจังใจเราก็มีโลภมีโกรธมีหลงถามว่าทุจริตนี้ไปไหนต่ออบายทุกติวินิบาตันโลมันภัยทางนั้นเนี่ย ดูที่เนะี่ยในชีวิตที่มันเดินผิดล่องผิดลอยพระรัตนะเออ์เดินผิดล่องพุทธโอวาทเนี่ยจะจะไม่เดินตามพุทธโอวาทนะแต่เนี้ยคนที่ทุจริตตลอดเพราะไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อไม่เป็นไรเราก็เป็นคนดีอยู่แล้วเราก็รักษาศีลไม่ต้องไปรักษาสํารวมกายกรรมวจีกรรมโนโกรรมแบบเคร่งคัดใดใดหรอกคนก็ก็ทํากันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนี่เราหลอกตัวเองนะเนี่ย แล้วเราตัวเองว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเขาก็ยังมีการดูหนังฟังเพลงเราก็ต้องมีบ้างคนอื่นก็ยังกินเหล้าเมายาเราก็ต้องมีบ้างคนอื่นก็ยังมีการสังสรรค์พวกจะตกนโลกมันก็ตกกันทั้งประเทศนั่นแหละใช่ไหมล่ะเอเคอย่างนี้จริงมาแล้วไปไปเสี่ยงกับเขาทําไมไปเสี่ยงทําไมนี่มนุษย์ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ว่าเราเราพยายามคิดว่า ที่เราทําไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุผลมันมีมันแล้วมันเป็นความจำเป็นมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องทําเพราะเราต้องอยู่ในสังคมเราทําไม่ได้อย่าว่าแต่ฉันเลยพ้ายังทําไม่ได้เลยนี่ไปไงนะี่ยนี่ไปฉันเห็นพ้าไม่เห็นทําอะไรกันเลยวันวันอันนี้แปลว่าอะไรอะเราจะหาบุคคลที่มารับรองการการะทาของเราหาทําไมต้อาหาทําไม แล้วจะหาคนมารับรองการการะทําของเราเพื่ออะไรคิดว่าเมื่อมีคนมารับรองการการะทําของเราแล้วเราจะไม่พ้นอับยภูมิเลยแล้วบางคนหนักไปกว่า น, นั้นเหมือนเหมือนเหมือนคนที่ติดคุกน่ะออกมาเมื่อไรก็ตอนจับติดคุกออกมาเมื่อไรก็ตอนจับติดคุกเขาทำผิดอยู่เลยทํามไม่กลัวหรือไม่กลัวเราก็ทําไปใส่คน้น <laughs> <laughs> ก็เลยคิดว่าเอออับยภูมิเขาเอาไว้ขังสัตว์นี่แหละ งั้นอบอายภูมิเขไม่ได้คาไว้ขังบุคคลอื่นหรอกฉะนั้นถ้าเราจะลงถ้าเราจะลงอบอายภูมิบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะสัตว์ในอายภูมิมันเยอะอยู่แล้วนี่นะการคิดอย่างนี้ผิดพุทธโอวาสเป็นการปฏิบัติผิดต่อพุทธโอวาสแล้วสลาณะจะช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยนะ เพราะสารณะนั้นจะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายได้ก็ต่อเมื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเดินตามล่องรอยของพุทธโอวาทที่ไม่เดินออกนอกแถวคําสอนต้องกรุณาตนเองเยอะๆพระพุทธเจ้าการุณาในเราพระุทธเจ้าจึงบอกข้อมูลบอกข้อปฏิบัติทั้งหมดมันจะไปไประชุมว่าไม่เอื้อเฟือคือการปฏิบัติในพระรัตนตรแบบไม่จริงจังเห็นไหม การไม่จริงจังก็คือว่าเอาช่วงนี้ไปปฏิบัติธรรมก็ดูทำทีทำท้าเอาจิงเอาจางนิดหนึ่งเขากลับไปบ้านเหมือนคนเดิมเลยแม่ลูกกอโบนเบื่อกลับมาตั้งแต่แม่เข้าวัาดมาบนก็เก่งเลยเขาและตัวศีลอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตัวศีลอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เห็นไหมว่าตัวสารนะคมเนี่ยเศร้าหมองไอ้การถือ การถือสถานคมที่เศร้าหมองจําจะทบกันมาทุกข้อเลยนะเมื่อคืนอนมาก็ฟังพระท่านสรุปอายานะไล่มาตามลําดับเนี่ยแล้วก็สังสยามิฉายะมิฉายานะก็มิฉาวติแล้วก็นาตาระเนี่ยอันนี้คือความเศร้าหมองการถือไตรสถานคมที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพรรตนาไตรอันนั้นการที่เราไม่ปฏิบัติ ให้ชัดเจนลงไปในสาสนาคมยังมีสิ่งอื่นๆมาแฝงอยู่นั่นคือการไม่เอื้อเฟือ้อถ้าเราบอกลูกนะลูกไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียนพอถึงเวลาปุ๊บให้รีบกลับทันทีนะลูกก็ครับเข้าไปพอมีคนชวนเล่นลูกก็ตเตลิดถามว่าลูกคนนั้นเอื้อเฟือ้อต่อคําสอนของแม่ของพ่อไหมไม่เอื้อเฟือ้อ เขอไม่ได้แวบเรื่อยเลยที น, นี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกอีกอย่างว่พาพระพุทธเจ้าสอนให้การปฏิบัติคาสอนพอเดินเดินไปที่าวัดมีคนเขาประกาศโฆษณาบอกว่าเอ อ, เ อ, อมีการ เ, ออเขาบอกว่าปีนี้ต้องมาบูชาลาหูเนะพเพราะว่าแวบเข้าไปเลยจะมีแวบเข้าไปเลยนู้น ون, ต้องหาของดำด ำ, ดำกี่อย่างก็งไม่รู้ไปม ไ, ไปหมด น่าสลดใจไหมน่าสลดใจใไหมชไหมล่ะเพราะไม่เพราะมันจะเขือออกพุทธโอวาสนอกพุทธโอวาอยู่เลย ว, วันนี้วันนี้สมมติเราได้ข้อมูลกันแบบเสร็จแบบนี้นะพอไปสักพักหนึ่งพอห่างสักพักหนึ่งใจก็เริ่มว้าว่นเอเอเราก็พยายามเอากิงเอาจังในสารณาคมเต็มที่มันรู้สึกไม่สุขใจยังไงยังไงอะถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่พระท่านไม่รู้ เอาอีกแล้วแต่นี้ไปอีกแล้วไม่เชื่อไอ้คานี้พูดกันเยอ่ไม่เชื่อไปเราไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราเชื่อว่าไม่ใช่สารณะที่เกษมไม่ใช่สารณะที่สูงสุดเพราะอาศัยสารณะเหล่านั้นที่พึ่งเหล่านั้นแล้วมันไม่พ้นทุกข์เราเห็นเราเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดแล้วเราจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องถือสารนะอย่างนั้นเพราะเราถือมานานแล้วในสังสารวัตรนี้อันอย่างนี้นะทีนี้ใหม่ๆเนี่ยเวลาเรามามาฝึกตรงนี้เบเสร็จเนี่ยพอตรงนี้ชัดเจนเมื่อไหร่ทีนี้การปฏิบัติในชั้นศีลก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นถามว่าการเชื่อมั่นในในการปฏิบัติต่อจารีตเนี่ย ที่บอกว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนเนี่ยที่เราจะปฏิบัติต่อเพื่อนได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีข้อปฏิบัติที่ที่เราชัดเจนในชั้นของคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่เขาเรียกนักปฏิบัติธรรมด้วยกันใช่ไหยเน่ยเราเ ว, วลาเราหยิบของให้กันเราเรารู้ไหมว่ามันเป็นชั้นชั้นศีลยังไง เราคิดแบบนี้ไหมเราคิดว่าตอนนี้เพราะอาศัยสารนคมนี่แหละเราจึงได้ปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องเราคิดอย่างนี้ไหมมีความเต็มใจไหมถ้าเราจะปฏิบัติต่อกันปฏิบัติเช่นมีเมตตากายก ร, รรมต่อกันจะทำสิ่งใดก็ทำได้เมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนต่อกันมีเมตตาวจีกรรมต่อกันจะพูดสิ่งใดก็พูดได้เมตตามีความรักปร า, ารถน า, า, านดีต่อกัน จะคิดถึงกันและการจะคิดเด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนต่อกันและมีการแบ่งปันของแบ่งปันแล้วก็มีกุศลศีลอยู่ในชั้นของจารีศีลวาลีศีลเนี่ยที่มีความสมดุลกันและมีความเห็นตรงต่อพุทธโอวาทมีความเห็นตรงต่อพุทธโอวาทถามว่าตรงนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหยเขาปฏิบัติธรรมกันเขาปฏิบัติอย่างนี้นะทีนี้ หลายหลายฝ่ายคงคิดว่าอยถ้าเราไม่ได้นั่งกรรมฐานปัจจัยการปฏิบัติธรรมมันไม่เกิดแล้วเราเสียเวลาแล้วเนี่ยเสียเวลามากๆเลยมางมางมครั้งเนี้ยกรรมฐานไม่เดินเลยตอนเนี้ยคิดอย่างนี้ไหมกรรมฐานไม่เดินเลยตอนนี้ ย, ย, รร เ, เ, ยนนเราปุ๊ แท้ที่จริงถามอาการที่เราปฏิบัติที่มีเมตตากยายกรรมต่อกันนั้นที่มีฉันท่าในการกระตุ้นเตือนปฏิบัตินะั้นถามว่าสมาธิตั้งมั่นได้เร็วมากเนี่ยพอหลีกเล้นปุ๊บเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นได้เร็วมากนะเพราะเมตตาเป็นสัพพะตะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จําป่าเถาในกิจทั้งปวงเป็นกรรมฐานที่ควรจะเดินหลังจากออกจากกรรมฐานหลัก ถ้าถ้าเราไม่มีตัวนี้นะเป็นตัวเชื่อมโยงนะต่อยนั่งกรรมาฐานวันละแปดชั่วโมงกับมากรรมาฐานก็รั่วหมดรั่วหมดนี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตจริงมันไปไม่เป็นแล้วข้อในข้อที่จริงเนี่ยเราต้องเข้าห้องน้ํำไหมเราต้องอาบน้ำํำเราต้องกินข้าวเราต้องเดินเราต้องยืนต้องนั่งต้องนอนใช่ไหมละ่ะมันจะอยู่ในยาวดนั่งอย่างเดียวได้ยังไงไม่ได้หรอก ฉานั้นทุกียาบทนะั้นมันจะเป็นไปกับพุทธโอวาทยังไงแล้วเห็นพุทธโอวาทยังไงที่ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าตัวศีลเวลาเกิดขึ้นมาคือเป็นอย่างนี้มีความเชื่อมั่นในตัวบุตรศีลไหมไอตัวการปฏิบัติต่อกันเป็นเจตนาศีล น, นะความตั้งใจที่จะทําข้อปฏิบัติของตนเองให้บริบูรณ์เนี่ยไอความตั้งใจตรงเนี้ยต้องการจะทําข้อปฏิบัติของตนเองให้ระบูนบอกว่า เราจะปฏิบัติต่อมารดาเนี่ยให้บริบูรณ์ปฏิบัติต่ออาจารย์ให้บริบูรณ์แต่คำว่าจะปฏิบัติให้บริบูรณ์ในขนาดนั้นแปลว่าอะไรเพราะเราเห็นแก่มารดาบิดาหรือเห็นแก่ศีลที่เราเห็นแก่ศีลนั้นแปลว่าเห็นแก่อะไรเห็นแก่พระธรรมเราเห็นแก่พธรรม นั่นแหละเพราะเรารู้ว่าพระธรรมที่เรากําลังปฏิบัตินั้นจะเป็นสารณะจะเป็นเครื่องกําจัดภัยจะเป็นที่พึ่งให้เราพ้นจากชาติภัยชร า, าภัยปยาทิภัยพ้นจากอุปสรรคอันต ร, รายทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นนะคนที่ไม่ตั้งมั่นในตัวกุศลศีลเน่ยในนิจศีลทั้งหลายในชีวิตก็เดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนอยังไงถามว่าถ้าจิตที่คิดจะ กรณีที่เราไปฆ่าสัตว์เนี่ยการฆ่าสัตว์เราท่ากรรมนั้นมาให้ผลในประวัติการเราจะเป็นผู้ที่มีอวัยวะบกพร่องพิกลพิการเห็นไหมตัวกุศลศีลไม่รักษาเพราะว่าพระธรรมไม่รักษานั่นเองก็สรุปก็คือพระเจ้าไม่รักษาไ่นแหละไม่ป้องกันอันตรายให้ หรือถ้าหากเรามีตัวกุศลศีลมีปนานาติบางดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเราจะมีอวัยวะที่สมบูรณ์เกิดมาเห็นไหมรักษารู ป, ประันน่ไอตัวกุศลนั่แหละเป็นตัวรักษาถึงพร้อมได้ส่วนสันไอสวนส่วนคือว่าทั้งความสูงและความกว้างถึงพร้อมได้เชาไหวพริบและสติปัญญาทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากกุศลศีลข้อแรกทิ้ ง, งดเว้นจากการฆ่าถ้าเรา เอาไม้ไปทบหัวสัตว์เนี่ยตอนนั้นสัตว์เขาสติปัญญาเขาหมุนหมดไหมเห็นไหมกรรมเหล่านั้นเนี่ยที่เราไปทําประเภทนี้เช่นเราไปตบยองไปฆ่าสัตว์เรียงต่างเนี่ยก่อนเขาจะตายเนี่ยเขาจะมุนหมด น, นั่นนะบางทีเขาไปทบไปเบียดเบียนเขาไปทบเอ่าขาขาดแขนขาดเนี่ยเขาคิดอะไรไม่ออกหรอกไอ้กรรมเหล่านั้นเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เรากลายเป็นคนสติปรรัญญาโง่เขลาเพราะเราไปตัดเราไปตัดกระแสชีวิตของเขาให้ให้กระแสชีวิตของเขาเนี่ย ไม่สามารถที่จะคิดอะไรออกได้ไง่ายๆเขามีแต่ความกลัวรนลานเนี่ยนะไอ้กรรมเหล่านั้นเป็นเหตุทําให้เราเป็นคนตกใจง่ายขี้ ก, กลัวนี่ขี้ขาดบ้างถ้ามันเราเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายอยากฆ่าตัวเองหรือไม่อย่างไรก็ถูกฆ่าพวกนี้กรรมเหล่านี้มาจากปฏิบัติทีนี้กรณีอย่างนี้ก็คือว่าอันนี้ยกตัวอย่างว่าฉะนั้นที่พอเราเราเห็นเหตุและผลไปเสร็จอย่างเนี้ย เราจรึงเห็นว่าตัวกุศลศีลเนี่ยสําคัญกว่าอวัยวะสําสคัญกว่าญาติสําคัญกว่าทรัพย์และสําคัญกว่าชีวิตเพราะตัวกุศลศีลเนี่ยมาเป็นพระธรรมเนี่ยนะเป็นสาระมาเป็นเครื่องกําจัดภัยทําให้กระแสะชีวิตให้ปลอดภัยเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของเหตุและผลอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จเนี่ยเมื่อทุกคนเข้าใจเหตุผลเบ็ดเสร็จเนี่ยใครก็อยากถึงสาระ ถ้าไม่ถึงก็ได้แต่ชีวิตของคุณจะต้องตกต่ํำนะถ้าไม่ถึงเนี่ยทีนี้เวลาเราปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติด้วยกันเนี่ยถ้ามีมีเจตนาที่ว่าจะต้องทําข้อปฏิบัติของตัวเองให้บริบูรณ์เหตผลเพราะตัวเจตนาที่เป็นตัวกุศลแลศีลเนี่ยตัวกุศลศีลที่เป็นข้อปฏิบัติที่ควบคุมกายกรรมควบคุมกายควบคุมวาจาให้เราปฏิบัติ ตอนนั้นน่ะใจของเราเป็นไปกับปลาโมดพิจีไหมเราปฏิบัติต่อเพื่อนเพราะอยากให้เพื่อนยกย่องเราหรือปฏิบัติต่อเพื่อนเพราะเห็นศีลในตนเห็นกุศลศีลในตนไม่ใช่ไปปฏิบัติต่อเพื่อนเราจะได้รับคำชมจากเพื่อนแต่มันเห็นตัวกุศลศีลในตนว่ากุศลศีลนี่แหละจะรักษากระแสชีวิตของตนเองให้รอดปลอดภัยจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายได้ และการเดินตามกุศลศีลเหล่านี้ชื่อว่าการตั้งมั่นในสรารนณะศีล น, นี่เป็นเป็นพุทธทางสราระนันขะฉามิหรือเป็นธรรมังสราระนันขะฉามิหรือเป็นสังฆทางสราระนันขะฉามิตัวศีลเนาะตัวกุศลศีลเนี่ยถ้าคิดถึงกุศลศีลเนี่ยเป็นพุทธทางเป็นพุทธคุณหรือเป็นธรรมคุณหรือเป็นสังฆคุ ณ, คณย้อนจำเลย คิดถึงกุศลศีลเนี่ยเป็นพุทธคุณธรรมคุณหรือเป็นสังฆคุณนึกไม่ออกเลยใช่ไเนี่ยนี่นั่งหลับเมื่อกี้คิดถึงศีลเนี่ยเป็นพุทธคุณหรือเป็นธรรมคุณหรือเป็นสังฆคุณมันอยู่ที่การปารพบถ้าเราปารบตัวกุศลศีล น, นั้นเป็นพระธรรมเพื่อจะรักษาบุคคลที่ปฏิบัติไม่ให้ตกลงไปในที่ชั่วตัวกุศลศีล น, นั้นเป็นพระธรรมคุณแต่ถ้าคิดถึงตัวกุศลศีล ว่ากุศลศีลนี้เพราะพระบรมศาสดาเป็นผู้ประธานมีพระมหากรณาพิคุณเลยทรงประทานกุศลศีลให้เป็นข้อปฏิบัติของท้าพระเจ้าก็นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประธานอริยทรัพย์คือกุศลศีลให้ก็รับเอามาด้วยเสียน่าเอามาใส่ไว้ในตนถ้าอย่างนี้เป็นพุทธคุณ หรือถ้าเห็นกุศลศีลนั่นแหละมีผ้าละหาันตาเจ้าทั้งหลายท่านเอากุศลศีลเหล่านั้นมาใส่ในตนแล้วจึงสามารถประพฤติปฏิบัติขัดเกลาว เ, เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพ้นจากว่าจัทุกได้นึกอย่างนี้เป็นสังคฆคุณเขยาใชยังแล้วแต่จะยกอะไรเป็นประธานเอาศีลนั่นแหละมาละลึกจริงแต่นึกถึงใครนึกถึงใครถ้านึกว่ากุศลศีลนี้พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณสงสารเหล่าสัตว์ ว่าสัตว์โลกน่าการุณามากไม่มีข้อเดินไม่มีไม่มีหลักนำทางชีวิตชีวิตจะเสียหายจะปลอดจะไม่ปลอดภัยแล้วพระองค์ก็เลยประทานอริยสัพป์บอกว่าจงอยู่ในล่องรอยของศีล น, นะแล้วพัฒนาจากศีลธรรมดาขึ้นสู่ศีละวิสุทธิเกื้อหนุนต่อจิตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธิ เคอทั้งหลายจะพ้นจากสังสารวัฏเห็นพระมหากราุณาธิคุณก็น้อมอัญเชิญกุศลศีลมาอยู่ในกระแสชีวิตของตนเองแล้วไม่ยอมให้กระแสชีวิตตนเองภาคจากตัวกุศลศีลถ้าอย่างนี้เป็นพุทธคุณนะฉะนั้นเจริญพุทธคุณโดยนึกถึงศีลก็ได้เอเมนแล้วเห็นศีลของพระเจ้าไหมเห็นโอ้โหตรงพระชาติที่บำเพ็ญศีลแบรารมีพระ อ, องค์ไม่โกรธนะเพราะความโกรธนี่เป็นตัวตัดรากอะไร ตัทราของศีนตอนที่เป็นจำปยากาหน้าคราชเห็นไหมร้องตอนนั้นน่ะตอนเป็นจำปยากาหน้าขราชนี่ตอนที่ในพานไปเรียนมนต์มาเห็นไหมที่พระองค์ที่จะไปรักษาบุตรศศิษย์ บ, ร, บรมเพลศีรบบาลมีที่ไหนนะถ้าในพบของพญานนาคนาง น, นาคก็จะรบกวนเราอย่างนั้นเลยเข้ามาที่โลกมนุษย์ ก็มาที่จอมปวกแล้วขดสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็ขดอยู่บนจอมปวกแล้วบอกว่าจักถึงเจออุปสรรคอันตรายใดๆมากระทบก็จะไม่ยอมทําลายศีลเื่อเวลาเราที่ฐานกุศลศีลเราที่ฐานแบบนี้หมายว่ามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เราจะสมาทานวาเรตศีลวาเรตศีถึงแม้เจออุปสรรคใดๆมาขัดขวางจักไม่ทําลาย ตักุศลศีลให้แตกให้ทำลายเพราะตั้งใจอย่างนี้นะพอสมาทาน เ, เสร็จเสร็จฟบเราไปเดินไปพอไปเจอเพื่อนพูดมาจาไม่เพราะถ้าโกรธทำลายศีลไหมทำลายฉะนั้นจะไม่โกรธเพื่อนจะไม่หงุดหงิดเพราะความความโกรธมันมาตัดตราราอะไรตัดตรากาของกุศลศีลฉะนั้นเราจะไม่โกรธใคร นี่นสมาทานแบบนี้นะกุศลศีลนันเกิดจริงนะมันเห็นว่าศีลมันสําคัญกว่าอะไรสําคัญกว่าเอาอวัยวะสําคัญกว่าทรัพย์ถ้าไปเจอเขาเอ้าคุณกินอาหารแบบนี้มันได้อาหารที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราจะโกรธไหมทำไมยังไม่โกรธเพราะศีลสําคัญกว่าอาหารหรืออาหารสําคัญกว่าศีลศีลสําคัญกว่าอาหารไงใช่ไหมล่ะ อาหารสามารถรักษากระแสชีวิตเราให้ปลอดภัยจากใบยภูมิได้ไหมแต่ศีลนรักษาเราได้ไหมเห็นไหมเนี่ยก็เริ่มมองเห็นข้อเปรียบเทียบว่าศีลสาคัญกว่าอาหารทีนี้พระโพธิสัตว์ท่านเข้าใจมุมนี้อย่างดีอะอย่างแข็งแรงเลยนะตอนนายพานมาเบีดเสร็จนายพานก็เห็นเออดีแล้วเราจะจับเราจะทดลองวิชาของเราแล้วนายพานก็เริ่มไล่มนพอท่องมนเบีดเสร็จก็ดุดดัมลูกธนูเสียบเข้าไปในหูของพระโพธิสัตว์เลย เพราะพรวิษณ์ก็แสบแก้วหูมากเหมือน อ, อะไรปักเข้าไปเนะี่ยท่านก็ชงงอท่านครูคอขึ้นดูพอเห็นนายพานกําลังไล่มวลอยู่ท่านก็โอ้ฟปาภปมิทธคนชั่วคนพานกําลังเบียดเบียนเราแล้ ว, ลวอยากขนาดเลยถ้าเราลืมตาถลึงมองนะได้ความโกรธนะไฟจะไหม้ท่านบุนี้ตายแันดีเลยถ้าอย่างเรามีฤทธิ์ขนาดนั้นมีอํานาจขนาดนั้นเราจะจัดการไหมคนที่กําลังประทุษร้ายเราอย่างนั้น เราจะเป็นคนขี้โกรธมากเรามีฤทธิ <S <S ์ามากเนี่ยเพราะใช่ไหมก็ขนาดยุงตัวเดียวมาจับเรายังให้อภัยไม่ได้ใช่ไหมล่ะอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่มนุษย์เลยขนาดยุงตัวเดียวมาจับเนียรองให้อภัยไม่ได้นะ <S <S 1> <S 1> อันนี้ต้องรู้นะเราเราเป็นคนดูนะอย่าลืมนะพวกเราเนี่ยเป็นคนดูนะไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่คนใจดีเวลาเอามามามีคนมีคนมามาคุยดีๆกันมาเนี่ย มากราบมาอะไรมันึกนึกอะไรเงี้ยนึกเออวันนี้ความดุของเขายังไม่เกิดเนี่ยมาเนี่ยอนน่ากลัวนะจริงๆไงถ้าถ้าเขาเขาเกิดโทสะขึ้นมาแนละ้วเขาจะไม่มากราบอย่างอ่อนน้อมหล้วเขาจะไม่กราบอย่างอ่อนน้อมเพราะโอ้ตอนนี้เขายังเขายังสงบความคิดความคิดที่มันพกพานได้อยู่เขาจึงยกมือไหว้เรา แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเขาเกิดเครียดโกรธขึ้นมาเนี่ยมือที่ไหว้เราเคยถือดาบตัดศีรษะเรามาแล้วเนี้ยในสังสารวัตรยมเชื่อไหมล่ะเนี่ยมือที่ไหว้เนี่ยเคยยอมระลึกชาติไม่ได้ไงให้าระลึกชาติด้านเนี่ยยอมที่นอนกับภรรยานอนกับสามียอมระแวงเลย <c oughs> เอาจริงไหมล่ะนี่เรื่องจริงนะบางทีกอดลูกโอ้ยรักลูกรักลูกก็มีพ้าลูกหนึ่งที่วอาไป ท่านรู้สึกท่านไปเกิดมีจิตปฏิพัติรักอุบาสิกาท่านก็ฟ้าอยู่ใหนอุบาสิกาท่านนี้เป็นภริยาด้วยตอนนั้นท่านเป็นบริโชนต่อมาท่านก็ได้กรรมฐานที่สัปปายะและท่านได้บรรลุและท่านร ะ, ะลึกชาติได้ท่านก็เลยรู้เอ๊ะผู้หญิงคนนี้เคยเป็นอะไรกับเรามานะว่าไนร ะ, ะลึกไปหนึ่งชาติสองชาติจนถึงเก้าสิบเอ็ดชาติท่านสะเทือนใจเลยรีบจะหนีเลยอ่ะ เก้าสิบกว่าชาติเนี่ยเคยตัดศีรษะท่านมาตลอดเลยท่านรีบจับเก็บบริขารอยู่ไม่ไหวแล้วนี่โจรนี่ท่านนี้นะผู้หญิงคนนี้ท่านท่านเป็นพระอิยาท่านก็บอกบอกพระเถระบอกให้ระลึกมากไปกว่า น, นั้นหน่อยพอาะระลึกไปจึงเห็นชาติที่มีอุปการ์แล้วถึงบอกโอโ้โหน่ากลัวมากสงสารวัดเป็นอย่างนี้อยอมทันที่ที่เรามาถ้ายังเป็นบุตุชนอยู่เนี่ย เราต้องสมาทานให้แข็งแรงเผ้อแว บ, บเดียวก็ไปเป็นศัตรูกันไอ้ที่ทั้งเคยดีๆกันเนี่ยโยมคุจชาตจึงสอนบอกว่าเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายอ่ะให้สังเกตตัวนะว่าบางทีเราเห็นลูกเราเนี่ยเราจะขัดเคืองบ่อยมากถามถ้าไม่เคยขัดเคืองมาในอดีตเราจะมาขัดเคืองปัจจุบันได้ยังไงใช่ไหมล่ะเห็นหน้าแค่เขาพูดแค่คําเดียวแล้วสึกทุกใจทุกทีเลย มันพูดไม่ถูกมั น, ต, ออนต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แปลว่าเราเนี่ยเคยเคยประทฏิสไลเข้ามาเยอะมากแล้วมาวันนี้เรายังก็อยากอุประทฏิสไลเขาอยู่นี่แหละไอ้ต้องระวังหนินี่ถ้ามองเนี่ยเหมือนตรงนี้นั้นตัวศีลจึงรักษาใจไม่ให้ปรฏิสไม่ให้พกพาเพราะพอทีสัตว์ท่านก็ขดศีรษลลงในในในขนุเบียดเสร็จแล้วท่านก็หลับตาในพานวันนี้มาใกล้ใกล้เบียดเสร็จ ไม่พอนะมาเคียวยาพ้นพ้นใส่ตามตัวของพาญานาแผลผู้พองก็ผุดขึ้นปุ๊ปบปๆๆ ป, ปเต็มไปหมดเลยตอนนั้นท่านก็พิจารณาบอกว่าถ้าเราโกรธศีลของเราจะพังเมื่อศีลพังใช่ไหมการจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพุิธญาณก็เป็นได้แค่ความฝันฉะนั้นเวลาเราสมาทานบอกว่า ถ้าเราโกรธศีลก็พังถ้าศีลพังการจะได้สมาธิและปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็พังเข้าใจยังฉะนั้นความโกรธมันเป็นตัวตัดรากของศีลเราจะไม่ให้ความโกรธเนี่ยมันผุดขึ้นในใจเพราะศีลสำคัญเราจะทำลายศีลไม่ได้ อธิษฐานเราจะทำลายกูศรศีนไม่ได้นี่การอธิษฐานเนี่ยรักษณะหนอย่างเงี้ยแล้วต่อมาในพานก็จับหัวของพญานาคมาบีบอ้าปากแล้วก็เคี้ยวยาแล้วก็บ้วนใส่ปากพญานาคฟันของพญานาคก็หลุดหมดเลยเลือดก็กกปากตอนนั้นท่านทรมานอย่างแสนสาหัสไหมทรมานแต่ท่านเอาอะไร ท่านสละแล้วท่านอวัยวะจะขาดชีวิตจะแตกดับไม่สําคัญแะนั้นจะรักษาศีลศีล ส, สาคัญกว่าอวัยวะศีล ส, สาคัญกว่าชีวิตท่านท่านต้องถ น, นอมศีลประดุลตั้งไขในหินเนะเหมือนกับบุรุษที่มีตาข้างเดียวรักษาตาคนคนที่ตั้งคันรู้ว่าละคนที่อยู่ในคันเด็กที่อยู่ในคันออกมาจะเป็นราชกุมารเนี่ยก็เลยรักษาศีล แต่ไม่ใช่รักษาศีลแบบถือมั่นไม่ใช่รักษาศีลแบบยึดมั่นเลยนะถ้ายึดมั่นว่าเรามีศีลเรามีศีลเนี่ยคนอื่นทษศีลนี่ไม่ใช่ท่านรักษาศีลด้วยญาณปัญญาที่มีความรู้เข้าใจและมีความมีการให้อภัยเขาให้ความปลอดภัยเ้าแล้วในในขณะนั้นนะอัตยาสัยของท่านคิดยังไงเราตัดสู่แล้วจะให้ท่านที่กําลังปัทุสลายเรานี่ตัดสู่ด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้ท่านที่ประทุสยล้าลเราในข้ามได้ด้วยเราหลุดพ้นแล้วจะให้ท่านที่ประทุสไล้เราหลุดพ้นด้วยเราหายใจค่องแล้วจะให้สัตว์ที่กำลังประทุสลายเราหายใจค้่อง Jackie. เราปรินิพานแล้วจะให้สัตว์ที่กำลังประทุสลายเราปรินิพานด้วย